วันนี้พวกเราจะมาสร้างที่พึ่งทางใจกันมาสร้างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เกิดขึ้นมาภายในใจของพวกเราด้วยการฟังเทศฟังธรรมแล้วนำเอาธรรมที่เราได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติพอเราได้ปฏิบัติ เราก็จะได้บรรลุผลพอเราได้บรรลุผลเราก็จะมีดวงตาเห็นธรรมพอมีดวงตาเห็นธรรมเราก็จะเห็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พราะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ที่เห็นตถาคตก็คือผู้ที่เห็นธรรม ผู้ที่จะเห็นทำได้ก็ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่คือประพุทธพระธรรมพระสงค์ที่จะเกิดขึ้นภายในใจที่จะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของใจเพราะจะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้ ต่างกับที่พึ่งภายนอกที่เรารู้จักกันคือเรารู้จักพระพุทธเจ้าด้วยการศึกษาได้ยินได้ฟังพระประพระประวัติของพระพุทธเจ้าเราก็มีความเคารพเรื่มใสศรัทธาเราก็มีพระพุทธรูปเป็นองค์แทนของพระพุทธเจ้าพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ก็ได้มีจารึกไว้ในหนังสือต่างๆที่เรียกว่าพระไตรปิฎกและพระอริยสงสาวกเราก็ได้ไปกราบไหว้กันได้ไปพบท่านได้ไปได้ยินได้ฟังธรรมของท่านแต่สารณะทั้งสามนี้คือพระพุทธเจ้าก็ดีหรือพระพุทธรูปก็ดี เราทาคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือของพระอริยสงสาว ก, ก็ดีตัวพระอริยสงสาวกเองก็ดียังไม่สามารถที่จะมาดับทุกข์ภายในใจของพวกเราได้เพราะว่ายังเป็นสารณะภายนอกอยู่ยังอยู่ภายนอกใจ สาระจึงมีสองแบบด้วยกันคือแบบนอกกับแบบในแบบนอกนี้ยังไม่ได้เป็นสาระที่แท้จริงสาระที่แท้จริงต้องเป็นสาระแบบในถ้ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจแล้วก็จะดับความทุกข์ต่างๆได้เป้าหมายของพวกเรา จึงอยู่ที่การสร้างสาธา ร, ระที่พึ่งทางใจคือสร้างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายในให้ปรากฏขึ้นมาด้วยการศึกษาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกและน้อมนำเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ภายนอกให้มาเข้าสู่ใจด้วยการปฏิบัติตามที่ท่านได้สั่งสอน ตามที่ท่านได้ปฏิบัติเมื่อเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามผลก็จะปรากฏขึ้นมาคือการบรรลุธรรมขั้นต่างๆการบรรลุมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งก็จะปรากฏขึ้นมาสาระที่ครึ่งนี้ก็เป็นเหมือนยารักษาโรคของร่างกาย ยารักษาโรคของร่างกายถ้ายังไม่ได้เอาเข้าสู่ร่างกายจะไม่สามารถที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายให้หายได้ mm hmm. เวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยเราต้องไปซื้อยาไปรับยามาจากหมอแล้วก็รับประทานยาตามที่หมอสั่งไว้ ถ้าเราไม่รับประทานยาโายครคภัยไข้เจ็บของเราก็จะไม่หายถ้าเรารับประทานยาตามที่หมอสั่งโครคภัยไข้เจ็บ ก, ก็จะหายเพราะยาจะได้เข้าไปสู่ในร่างกายได้พอยาได้เข้าสู่ร่างกายแล้วยาก็จะสามารถทำลาย โรคภัยไข้เจ็บต่างๆให้หายไปได้ให้หมดไปได้ยารักษาโรคของทางร่างกายกับสาระที่พึ่งทางใจนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันมีแบบข้างนอกและแบบข้างในจะให้รักษาร่างกายเราก็ดีหรือรักษาใจของเราก็ดีจาเป็นจะต้อง เอาเข้ามาภายในร่างกายหรือเอาเข้ามาภายในจิตใจถึงจะสามารถทำหน้าที่ของยาได้นี่คือลักษณะของสาระที่พึ่งทางใจมีสองแบบด้วยกันยาหลงติดอยู่กับแบบภายนอกเช่นหลงติดอยู่กับพระพุทธรูป คิดว่ามีพระพุทธรูปติดตั้งไว้ที่บ้านก็ดีห้อยไว้ที่คอก็ดีจะสามารถปกป้องไม่ให้ความทุกข์ต่างๆเข้ามาเหยียบย่ำทำลายจิตใจได้หนังสือธรรมะต่างๆของพระพุทธเจ้าก็ดีของครูบาอาจารย์ก็ดีถ้าเราเอาไปตั้งวางไว้เฉยๆ ไม่นำเอามาศึกษาไม่นำเอามาอ่านไม่นำเอามาปฏิบัติธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่อยู่ในหนังสือก็จะไม่เป็นประโยชน์อะไรกับการคุ้มครองจิตใจเราไม่ให้เกิดความทุกข์ต่างๆขึ้นมาพ ร, พระสงฆ์อริยะเจ้าทั้งหลายที่เรากลาาวไหวบูชา เราได้ไปกราบองค์ท่านเองก็ดีหรือมีภาพของท่านประดิษฐานอยู่ในบ้านของเราก็ดีท่านก็ไม่สามารถที่จะมาคุ้มครองปกป้องจิตใจของเราไม่ให้เกิดความทุกข์ต่างๆขึ้นมาได้เพราะสาระภายนอกนี้เป็นเพียงที่เตือนใจที่สอนใจให้สร้างสาระ ภายในขึ้นมาการศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็คือเป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของพระอริยสงฆ์สาวกเกี่ยวกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าและของพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายศึกษาเพื่อให้เราได้รู้ เมื่อเราได้รู้แล้วเราก็จะได้ปฏิบัติได้เมื่อเราปฏิบัติได้เราก็จะบรรลุได้เราบรรลุได้เราก็จะได้ทมเข้าไปในหัวใจถ้าเรามีทมอยู่ในหัวใจเราก็จะมีพระพุทธเจ้ามีอริยสงฆ์เพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งสามนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนื้อหาสาระ นี้เป็นอันเดียวกันต่างกันตรงที่ลักษณะเท่านั้นดังนั้นเราจึงต้องศึกษาว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครทำไมท่านถึงเป็นที่พึ่งทางใจของเราได้พระอริยสงสาวกท่านเป็นใครกันท่านทำอะไรกันถึงทำให้ท่านเป็นที่พึ่งของท่านได้ และเป็นที่พึ่งของเราได้ถ้าเราศึกษาแล้วเราก็จะได้รู้ว่าท่านเป็นใครท่านได้ทำอย่างไรเช่นพระพุทธเจ้าถ้าเราศึกษาเราก็จะทราบว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นคนเหมือนกับเรามีความทุกข์เหมือนกับเรา มีความทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกับเราแต่พระพุทธเจ้าท่านมีความปรารถนาะที่อยากจะหลุดพ้นจากความแก่หลุดพ้นจากความเจ็บไข้ได้ป่วยหลุดพ้นจากความตายเพราะท่านไม่ปรารถนาะที่จะต้องพบกับความทุกข์ต่างๆ ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายท่านก็เลยศึกษาหาวิธีก็พบว่าการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้จำเป็นจะต้องออกบวชออกบวชเพื่อที่จะได้ทำใจให้เกิด มีที่พึ่งขึ้นมาทำใจให้มีที่ดับทุกข์ขึ้นมาการออกบวชก็เป็นการสร้างที่พึ่งหรือเครื่องดับความทุกข์นั่นเองอพอพระองค์ทรงได้ออกบวชแล้วก็ได้ทรงศึกษาหาวิธีดับความทุกข์มาศึกษากับพระอาจารย์อยู่สองรูปด้วยกัน ก็ได้สามารถดับความทุกข์ได้ในระดับหนึ่งคือสามารถดับความทุกข์ได้ในเวลาที่จิตเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ฌานต่างๆเวลานั้นความทุกข์ต่างๆหายไปหมดจากใจเพราะตอนนั้นใจตั้งอยู่ในความสงบไม่มีความคิดปรุงแต่งถึงเรื่องความแก่ความเจ็บความตาย ใจก็เลยไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายแต่พอออกมาจากสมาธิออกมาจากฌานพอไปคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายใจก็ยังมีความทุกข์อยู่ครูบาอาจารย์ทั้งสองรูปก็สอนได้เพียงเท่านี้สอนได้เพียงขั้นสมาธิดับทุกข์ได้ ในขณะที่ใจอยู่ในสมาธิแต่พอออกจากสมาธิมาแล้วไม่มีวิธีดับความทุกข์ใจได้เลยพระองค์จึงต้องไปขวนขวายศึกษาด้วยพระองค์เองจนในที่สุดก็ทรงได้ค้นพบความจริงคือได้พบว่าความทุกข์ใจนี้เกิดจากอะไร แล้วส่งคนพบวิธีที่จะดับความทุกข์ใจนี้ได้ด้วยอะไรนี่คือความเป็นมาของพระพุทธเจ้าที่ทำให้เจ้าชายสิท ธ, ธัตถะสามะนะโคตมะได้กลายเป็นพระอาหารหันตะสมมามะสามพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นสาระเป็นที่พึ่งของพระองค์เอง และของสัตว์โลกทั้งหลายเพราะพระองค์ได้ทรงบาเพ็ญได้ปฏิบัติธรรมจนมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเห็นความจริงก็คือเห็นอริยสัจสี่เห็นายรักเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เป็นแสงสว่างที่ทำให้พระองค์สามารถ ดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆได้เพราะว่าพอเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพระองค์ก็จะละความอยากต่างๆได้พอละความอยากต่างๆได้ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ที่เกิดจากความอยากต่างๆก็จะหายไปหมด ไม่มีความทุกน้องเหลืออยู่เลยนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสัตว์รู้ทำที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นคือพระอริยาาสัจสี่นั่นเองและพอพระองค์นำเอาความจริงอันนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นพอผู้ที่ได้ยินได้ฟังได้น้อมนำเอาไปปฏิบัติจนสามารถ มองเห็นอริยสัจสี่ภายในใจของตนได้ก็สามารถบรรลุเป็นพระสาวกเป็นพระอริยสงสาวกขั้นต่างๆได้จนตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นสูงสุดได้เป็นที่พึ่งของตนเองได้เพราะสามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจได้ นี่คือการศึกษาพระพุทธพระเจ้าว่าเป็นใครพระอริยสงสาวกท่านเป็นใครทำไมท่านจึงสามารถดับความทุกข์ภายในใจต่างๆให้หมดไปได้ทำไมพวกเรายังไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดไปได้ ก็เพราะว่าเราขาดการปฏิบัติเหมือนกับที่ท่านได้ปฏิบัตินั่นเองถ้าเราอยากจะได้สิ่งที่ท่านได้คือมีได้มีดวงตาเห็นธรรมได้เห็นขั้นเห็นการทำงานของความทุกข์ที่เกิดจากความอยากและเห็นการทำงานของเครื่องมือที่ดับทุกข์ที่เรียกว่ามร ที่ดับความอยากได้อย่างไรเราก็ต้องปฏิบัติเหมือนกับที่ท่านได้ปฏิบัติมาการที่เราจะปฏิบัติเราก็ปฏิบัติตามที่ท่านสอนเพราะตอนสิ่งที่ท่านสอนก็เป็นสิ่งที่ท่านได้ปฏิบัติมานั่นเองเพราะำคาสอนของพระพุทธเจา้านี้ปรากฏขึ้นมาจากการที่พระพุทธเจา้าได้ทรง ดำเนินได้ทรงปฏิบัติมาก่อนแล้วนําเอาสิ่งที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัตินี้มาสั่งสอนให้แก่พวกเราถ้าพวกเราปฏิบัติแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกได้ปฏิบัติกันผลก็จะได้เหมือนกันคือการดับของความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราก็จะดับไปหมด ถ้าเราปฏิบัติจนเราได้บารูุธรรมแล้วมีดวงตาเห็นธรรมแล้วเราก็จะเห็นพระพุทธเจ้าและผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมผู้ที่เห็นพระพุทธเจ้าก็คือพระอริยสงสารวกนั่นเองเราก็จะกลายเป็นพระอริยสงสารวกขึ้นมาเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆไปตามลำดับ ไปตามขั้นของการปฏิบัติจนถึงขั้นสูงสุดดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกได้ดับกันนี่คือการสร้างสารณะที่พึ่งทางใจที่ถูกต้องที่ที่ที่เป็นความ เป็นความจริงที่ที่พวกเราจะต้องกระทำกันเป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เราได้มีที่พึ่งทางใจกันการที่เราจะไปหาพระพุทธเจ้าที่ประเทศอินเดียนี้เราจะไม่มีวันได้พบกับพระพุทธเจ้าสิ่งที่เราจะได้พบที่เวลาที่เราไปอินเดียไปตามภูชละ ปูชนีสถานสี่เราจะได้รอบแต่พบแต่ร่องรอยของสถานที่พระพุทธเจ้าได้เคยไปประทับอยู่เท่านั้นแต่เราจะไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าถ้าเราอยากจะพบกับพระพุทธเจ้าเราต้องศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วเราเอานำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มาปฏิบัติจนปรากฏมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา พอเห็นธรรมขึ้นมาก็จะเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ที่เห็นตถาคตก็คือผู้ที่เห็นธรรมผู้ที่จะเห็นธรรมเห็นตถาคตได้ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือเป็นสุปฏิปันโนนั่นเองครูบาอาจารย์ของพวกเราที่เรารู้จักแวะได้กราบไหว้บูชากัน ท่านไม่ได้ไปหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ประเทศอินเดียแต่ท่านไปหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในป่าในเขาตามสถานที่สงบสงัดวิเวกห่างไกลาจากแสงสีเสียงที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุธรรมขั้นต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติเพื่อให้มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมา การไปอินเดียนั้นจึงไม่ได้เป็นการไปพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้เป็นการสร้างสาสณะที่แท้จริงเป็นการไปดูร่องรอยของพระพุทธเจ้าและของพระอริยสงฆส์เท่านั้นว่าท่านเคยอยู่สถานที่นี้ท่านเคยทําอะไรตามสถานที่เหล่านี้เท่านั้นเอง ยังไม่สามารถที่จะทำให้เป็นสาระเป็นที่พึ่งทางใจได้ยังไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ภายในใจได้ทำได้อย่างมากก็คือยืนยันให้เรารู้ว่าพระพุทธเจ้านี้มีจริงเคยเป็นไปตามที่เขาเล่ามากันเคยเกิดที่นี่ เคยบำเพ็ญที่นี่เคยตัดสัรู้ที่นี่และได้ตายที่นี่เราก็จะได้รู้เพียงเท่านี้การรู้เพียงเท่านี้ยังไม่เพียงพอต่อการสร้างสารณะที่แท้จริงขึ้นมาภายในใจถ้ารู้แล้วว่ามีพระพุทธเจ้าสิ่งที่เราควรจะทำต่อไป ก็คือศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าอย่างละเอียดละออดูวิธีการดำเนินชีวิตของท่านวิธีการบ ำ, รบำเพ็ญของท่านจนทำให้ท่านได้ตัดรู้เป็นพระอรหันต์สมมาสามพุทธเจ้าแล้วก็ศึกษาคำสอนคำสั่งของท่านว่าต้องปฏิบัติอย่างไรต้องทาอย่างไรถึงจะได้มี ดวงตาเห็นธรรมเหมือนกับท่านอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำหลังจากที่เราไปเยี่ยมปูชนียสถานแล้วมาศึกษาเพื่อให้เราได้รู้จักวิธีที่จะทำให้เราสร้างจารณะที่พึ่งที่แท้จริงขึ้นมาภายในใจของเรา ถ้าเราไปกราบไหว้บูชาตามภูชนียสถานต่างๆเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้มาศึกษาวิธีการปฏิบัติและไม่ได้ปฏิบัติเราก็จะไม่ได้รับผลอะไรเราก็ยังจะต้องอยู่กับความทุกข์ต่อไปดังนั้นสิ่งที่เราควรที่จะทำก็คือศึกษา ประวัติของพระพระเจ้าศึกษาประวัติของพระอริยสงสารวกศึกษาวิธีการปฏิบัติของท่านศึกษาคำสอนของท่านจนเรารู้ว่าเราต้องปฏิบัติอะไรทำอะไรท่านทำอะไรเราก็ต้องทำแบบท่านถ้าเราทำแบบท่านแล้วผลก็จะต้องได้แบบเดียวกับที่ท่านได้รับอย่างแน่นอน เราก็จะได้มีที่พึ่งทางใจเราก็จะสามารถดับความทุกข์ทางใจต่างๆให้หมดไปจากใจได้นี่คือเรื่องของการฝังเทศฟังธรรมฟังว่าฟังวิธีการปฏิบัติของพระพุทธเจา้าวิธีการปฏิบัติของพระอริยสองสาวกแล้วนำเอามาปฏิบัติพอปฏิบัติแล้ว ผลก็จะปรากฏขึ้นมาธรรมก็จะปรากฏขึ้นมาธรรมังสารนังกระฉามิก็จะปรากฏขึ้นมาพุทธังสารนังกระฉามิก็จะปรากฏขึ้นมาสังขังสารนังกระฉามิก็จะปรากฏขึ้นมาอันนี้เป็นสาระที่แท้จริงที่จะอยู่กับเราไปตลอดเวลาส่วนสาระภายนอกนี้ยังไม่เป็นสาระที่แท้จริงเราไม่สามารถ แบกพระพุทธรูกไปกับเราแบกหนังสือไปกับเราทุกแห่งทุกคนได้ไม่สามารถแบกครูบาอาจารย์ไปกับเราได้เพราะว่าท่านไม่ได้เป็นสาระที่พึ่งของเราท่านเป็นเพียงตัวอย่างถ้าเป็นภาพประยน์ก็เหมือนเหมือกับภาพประยนตร์ตัวอย่างยังไม่ใช่เป็นภาพยนตร์จริงภาพประยนตร์จริงนี้เราต้องเสียเงินไป ซื้อตัวดูเขาใช้แต่ตัวอย่างให้เราดูเท่านั้นอสารณะที่พึ่งของที่เรารู้จักนี่เรียกว่าสารณะที่พึ่งตัวอย่างที่เราต้องเอามาเป็นแบบเป็นฉบับเพื่อที่เราจะได้สร้างที่พึ่งแบบนี้ให้กับตัวของเราเองดังนั้นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติก็คือต้องศึกษา ศึกษาแล้วเราก็ต้องนําเอาสิ่งที่เราได้ศึกษาไปปฏิบัตินะฮเช่นศึกษาดูว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นอย่างไรท่านบําเพ็ญอย่างไรตอนต้นท่านก็เป็นพระราชโอรสเป็นคารวะเหมือนพวกเราเป็นผู้ที่คลองเรือนเป็นผู้ที่หาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจาก ลูกเสียงกลิ่นโลดผดทะพะแต่พอไปเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นนักบวชก็ทําให้เกิดปัญญาขึ้นมาทําให้เกิดการฉุกคิดขึ้นมาว่าต่อไปพระองค์ก็จะต้องแก่พระองค์จะต้องเจ็บและจะต้องตายแล้วทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองที่มีอยู่มากน้อยเพียงไร ราบยศสระเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่มีอยู่มากน้อยเพียงไรก็จะไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ใจที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายได้เลยนอกจากการออกบวชเท่านั้นออกบวชเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมออกบวชเพื่อรักษาศีล เพื่อบำเพ็ญจิตตภาวนาทำใจให้สงบถ้าใจสงบแล้วใจก็จะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายในเบื้องต้นพระองค์ก็ได้ความสงบในระดับสมาธิเพราะครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนก็รู้จากวิธีทำความสงบเพียงในระดับของสมาธิเท่านั้นไม่สามารถ ไม่รู้จักวิธีที่จะทำใจให้สงบหลังจากออกจากสมาธิมาแล้วพอออกจากสมาธิมาพอได้มาพบกับความแก่ความเจ็บความตายก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีพระพุทธเจ้าก็เลยต้องทรงไปบาเพ็ญไปศึกษาวิธีรักษาใจรักษาความสงบไม่ให้ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆ เวลาที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิจนในที่สุดก็สรงคนพบพระอริยสัจสี่สองคนพบว่าความทุกข์ของพระองค์ที่ ท, ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายนั้นเกิดจากความอยากของพระองค์เองคือความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายและการที่จะทําให้ใจดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้ ก็ต้องละความอยากเหล่านี้ไปสิ่งที่จะทำให้ละความอยากเหล่านี้ไปได้ก็คือปัญญาความจริงนั่นเองก็ทรงศึกษาพิจารณาก็เห็นว่าความแก่ความเจ็บความตายนี่เป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้แก้ไม่ได้อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอย่างไรก็ห้ามมันไม่ได้ อยากไปก็ทุกไปเปล่าๆแต่พอยอมรับความจริงว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วไม่ฝืนความจริงคือปล่อยให้แก่ไปปล่อยให้เจ็บไปปล่อยให้ตายไปพอปล่อยได้ใจก็ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายเพราะการปล่อยก็คือการละความอยากนั่นเอง ละความอยากไม่แก่ความอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยความอยากไม่ตายพระองค์จึงทรงค้นพบวิธีดับความทุกข์ใจเพราะทรงค้นพบต้นเหตุของความทุกข์ใจว่าเกิดจากความอยากและสิ่งที่จะหยุดความอยากได้ละความอยากได้ก็คือความจริงจึงทรงศึกษาความจริงของสภาวะธรรมทั้งหลาย ทั้งภายนอกและภายในใจก็เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังเป็นทุกเป็นอนัตตาความอยากที่จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะหายไปเพราะเป็นการอยากได้ความทุกข์มาเพราะสิ่งต่างๆที่ความอยากอยากได้นี้มันเป็นความทุกข์ทั้งนั้น ทุกเพราะว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกเพราะว่ามันเป็นอนัตตาไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของใจได้มาแล้วก็ต้องสูญไปในที่สุดพอเวลาสูญเวลาพัดผ่านจากกันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่คือมรรคหรือปัญญาที่จะใช้ในการละความอยาก ผู้ใดเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสภาวะธรรมทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ข้างนอกกายหรือข้างนอกใจหรืออยู่ในใจล้วนเห็นว่าเป็นตายรักทั้งหมดแล้วก็จะละความอยากต่างๆได้ปล่อยให้สภาวะธรรมเป็นไปตามเรื่องของเขาเพราะไปห้ามเขาไม่ได้ไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ เหมือนกับเราไม่ไปอยากให้ฝนฟ้าอากาศเป็นไปตามความอยากของเราเพราะเรารู้ว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเกิดเกิดก ด, ดับดับเป็นอนัตตาเราไปสั่งเขาไม่ได้ถ้าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมา ถ้าเราไม่มีความอยากเราปล่อยให้ฝนฟ้าอากาศเป็นไปตามเรื่องของเขาเราก็ไม่ต้องทุกข์กับฝนฟ้าอากาศอยู่กับเขาได้อยู่เท่าที่อยู่ได้ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ตายเช่นเจอพายุเจอน้าท่วมเจอภัยพิบัติต่างๆสิ่งที่จะทำถูกทำลายไปก็คือร่างกายแต่ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราของเราเช่นเดียวกัน เหล่านี้คือใจใจคือไข่ใจก็คือผู้รู้ผู้คิดผู้มาใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเป็นคนรับใช้ใจเป็นนายกายเป็นบา่าวกายรับใช้ใจทําอะไรต่างๆจนถึงวาระสุดท้ายของกายพอกายไม่สามารถอยู่ได้ก็ต้องหมดสภาพไปแต่ใจผู้สั่งให้กายทําอะไรต่างๆนี้ ไม่มีวันหมดสภาพไม่มีวันตายไปถ้ายังมีความหลงอยู่มีความอยากอยู่ก็จะไปหาร่างกายอันใหม่มารับใช้ต่อไปแล้วก็มาทุกข์กับร่างกายต่อไปทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายถ้ามีปัญญาถ้ารู้ว่าการไปเอาร่างกายมานี้เป็นการสร้างความทุกข์ก็จะหยุด การหาร่างกายด้วยการหยุดความอยากต่างๆเพราะความอยากนี่เองที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้ต้องไปหาร่างกายมารับใช้ความอยากต่างๆพอไม่มีความอยากแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีร่างกายพอไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายไม่ต้องทุกกับมันใจก็ยังไม่ได้หายไปไหน ใจก็ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่เหมือนกับตอนที่เคยมีร่างกายตอนนั้นโง่ไม่รู้ว่าเป็นทุกข์การเกิดแก่เจียบตายเป็นทุกข์ตอนนี้ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและได้ปฏิบัติจเจริญสมถะวิปัสสนาภาวนาจึงทำให้เห็นได้ชัดเลยว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยากได้ร่างกาย มาเป็นคนรับใช้เพื่อตอบสนองความอยากต่างๆแต่ใจไม่จำเป็นจะต้องมีร่างกายก็มีความสุขได้และมีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้ผ่านทางร่างกายก็คือความสุขที่เกิดจากการบำเพ็ญสมถภาวนาทำใจให้สงบน่เองพอใจสงบแล้วใจก็จะมีความสุข ที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายแต่เป็นความสุขชั่วคราวขณะที่อยู่ในสมาธิเวลาออกจากสมาธิมาถ้าไม่มีวิปัสสนามาเป็นเครื่องมือปกป้องรักษาพอเกิดความอยากขึ้นมาความอยากก็จะมาทาลายความสุขที่ได้จากความสงบนี้ทันทีถ้าอยากจะ รักษาความสงบนี้ให้อยู่ต่อไปก็ต้องใช้วิปัสสนาภาวนาต้องพิจารณาใจรักอยู่เรื่อยๆเสมอเวลาใจอยากได้อะไรต้องให้เห็นว่าสิ่งที่อยากได้นั้นเป็นใจรักพอเห็นว่าเป็นใจรักแล้วก็จะไม่อยากได้เพราะไม่มีใครอยากได้ความทุกข์กันเช่นเราอยากจะไปซื้อเครื่องดื่มมาดื่ม แล้วเขาติดป้ายไว้ว่าเครื่องดื่มนี้ถ้าดื่มแล้วต้องตายต้องทุกข์เราก็จะไม่ซื้อมาดื่มอันใดเราต้องติดป้ายไว้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจของเราอยากจะได้เอามาให้ความสุขกับใจเราต้องไปติดป้ายอันนี้จังทุกขังอนัตตาไว้เพื่อเตือนใจว่ามันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นสุข มันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงเพราะว่าเราห้ามมันไม่ได้ห้ามไม่ให้มันไม่เที่ยงไม่ได้มันจะต้องมีการพัดพากจากเราไปไม่ช้าก็เร็วถ้าเรามีปัญญาคือเห็นใจรักอยู่ตลอดเวลาความอยากก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาพอความอยากไม่ปรากฏขึ้นมาความสุขที่ได้จากความสงบจากสมถภาวนา ก็จะอยู่ต่อไปอยู่ไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดเพราะไม่มีอะไรมาทำลายนั่นเองสิ่งที่จะมาทำลายก็ได้ถูกทำลายด้วยปัญญาไปแล้วคือความอยากต่างๆถ้าเห็นตายรักแล้วความอยากต่างๆก็จะหดไปหายไปหมดไปพอหมดไปแล้วก็ไม่มีความทุกข์อีกต่อไป นี่แหละคือสาระที่พึ่งทางใจเกิดจากการศึกษาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วน้อมนำเอาวิธีการดำเนินชีวิตของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้มาเป็นแบบเป็นฉบับเป็นตัวอย่างปฏิบัติตามตัวอย่างถ้าเราไม่มีพระพุทธพระเจ้าไม่มีพระอริยสงสาวกไม่มีคำสอนเราจะไม่รู้จักวิธี ที่จะดำเนินชีวิตของพวกเราให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้แต่ตอนนี้พวกเราโชคดีเราได้มาพบกับพระพุทธเจ้าได้พบกับพระอริยสงสาวกได้ศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าและของพระอริยสงสาวกเป็นแบบเป็นฉบับที่ให้พวกเราดำเนินตามได้อย่างสะดวกง่ายดาย ถ้าเราดำเนินตามได้เราก็จะได้รับผลเช่นเดียวกันเราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้เช่นเดียว ก, กันกับที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสารวกทั้งหลายได้หลุดพ้นกันได้นี่คือวิธีสร้างสาระที่พึ่งทางใจสร้างด้วยการศึกษาสร้างด้วยการปฏิบัติ เราต้องทำเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายได้กระทำกันสิ่งแรกที่ทาที่ท่านทำกันก็คือท่านสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆแล้วก็ออกไปอยู่แบบนักบวชหรืออยู่แบบนักหรือเป็นนักบวชแล้วแต่กรณีผู้ที่บวชได้ก็บวชผู้ที่ยังบวชไม่ได้ก็อยู่แบบนักบวช เพื่อที่จะได้มีเวลาบาเพ็ญการรักษาศีลการจเจริญสมถะภาวนาและการจเจริญวิปัสสนาภาวนาเป้าหมายของการบวชหรือของการเป็นนักบวชหรืออยู่แบบนักบวชก็เพื่อที่จะได้มีเวลาบาเพ็ญ น, นั่นเองถ้าอยู่แบบขารละวาดก็จะติดกับกิจกรรมของขารวาด กิจกรรมของคารว่าก็คือการหาเงินการใช้เงินการรักษาเงินเวลาทั้งหมดก็จะหมดไปกับการหาเงินใช้เงินรักษาเงินทองเพราะเป็นการหาความสุขให้แก่ใจด้วยเงินทองเพราะไม่รู้จักวิธีหาความสุขแบบของนักบวชนั่นเองแต่พอได้เห็นนักบวชได้ศึกษาจากนักบวชได้ฟังได้ ยินจากนักบวชว่ามีวิธีที่จะหาความสุขที่ดีกว่าวิธีหาด้วยเงินทองเข้าของต่างๆก็คือวิธีรักษาสิงเจริญสมาธิและปัญญาสมาธิก็สามารถถวนาปัญญาก็วิปัสสนาภาวนาถ้าได้หยุดกิจกรรมของข่าวา่าหยุดการหาเงินหาทอง หยุดการใช้เงินใช้ทองหยุดการดูแลรักษาเงินทองคือสละทั้งหมดเงินทองทั้งหมดที่มีอยู่นี้ให้แก่ผู้อื่นไปแล้วก็ไปอยู่ไปบำเพ็ญแบบนักบวชหรือไปบวชเป็นนักบวชแล้วก็อยู่แบบนักบวชมีสมบัติเพียงเล็กๆน้อยๆพอให้อยู่ไปได้วันนวันหนึ่งก็พอ อย่างเป็นถ้าเป็นนักบวชเป็นพระภิกษุก็มีอัฐบริขารมีบาทใบหนึ่งมีผ้าสามผืนมีประคตเอวมีได้กับเข็มมีมีโกนแล้วก็มีที่กองน้ำมีแค่นี้ก็อยู่ได้แล้วพอแล้วสำหรับทรัพสมบัติที่จะมีไว้สำหรับดูแลชีวิตร่างกายเพื่อที่จะได้ นำเอาชีวิตตั้งกายนี้มาบำเพ็ญมาสร้างสารณะที่พึ่งทางใจสร้างสารณะด้วยการรักษาศีลของนักบวชไม่ว่าจะเป็นศีลแปดก็ดีศีลสิบก็ดีศีลสองร้อยยี่บเจ็ดก็ดีเป็นสิ่งที่นักบวชจะต้องรักษากันเพื่อที่จะได้ป้องกันไม่ให้ความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากการกระทาทางกายทางวาจา เข้ามาทำลายจิตใจนั้นเองถ้ามีสีแล้วการกระทาต่างๆนี้จะไม่เป็นทุกข์จะไม่สร้างความทุกข์ให้กระใจแล้วก็มาทำใจให้สงบเพราะเวลาใจสงบแล้วความทุกข์ที่เกิดจากความคิดปรุงต่างๆต่างๆก็จะหายไปแล้วเวลาออกจากความสงบมา ก็อย่าปล่อยให้ความคิดตรงแต่งคิดไปในทางความอยากให้คิดไปในทางปายรักษ์เสมอคิดไปในทางอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วความอยากต่างๆก็จะไม่โผล่ขึ้นมาไม่ปรากฏขึ้นมาถ้าสามารถปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องใจก็จะสามารถละความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ พอไม่มีความอยากภายในใจแล้วความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็จะไม่มีใจก็จะมีแต่ปรมังสุขขังมีแต่บรมสุขอยู่ภายในใจตลอดเวลาไม่มีความทุกข์เข้ามาเหยียบย่าทำลายจิตใจเหมือนเมื่อก่อนนี้เลยใจของพระพุทธเจ้าตั้งแต่วันเพ็ญเดือนหกนี้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสั์ ไม่เคยพบกับคำว่าทุกข์อีกต่อไปจนถึงปัจจุบันนี้ 2,500 กว่าปีแล้วใจของพระพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่แลวก็อยู่กับปรมังสุขขังเพียงอย่างเดียวไม่มีคำว่าทุกข์เลยแต่ใจของพวกเราก็เคยมีอยู่มีอยู่ในสมัยพระพุทธการแต่อาจจะไม่มีร่างกายไปเกิดในสมัยพระพุทธการ ใจของเราอาจจะอยู่พบไดพบหนึ่งใจของพวกเราก็ทุกอยู่อย่างนั้นจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังทุกอยู่อย่างนั้นอยู่เหมือนเดิมเพราะเรายังไม่ได้เข้าไปกำจัดตัณหาความอยากทั้งสามคือการมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาให้หมดไปจากใจเพราะเราไม่รู้ว่าตัณหาทั้งสามนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจ และเราไม่รู้วิธีที่จะทำให้ตัญหาทั้งสามนี้ดับไปจากใจได้หมดไปจากใจได้จนกว่าเราจะได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ทราบความจริงว่าความทุกข์ของพวกเรานี่เกิดจากความอยากของพวกเราเองและวิธีที่จะละความอยากเราต้องเห็นใจรักอยู่เสมอใจของเราต้องคิดไปในทางใยรักเสมอ เห็นอะไรต้องคิดว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเสมอถ้าเห็นอย่างนี้คิดอย่างนี้ใจก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรพอไม่มีความอยากใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วพอหลุดแล้วก็จะหลุดอย่างถาวรจะไม่กลับไปทุกข์กับเรื่องราวต่างๆอีกต่อไป ใหญของเราก็จะเป็นเหมือนของพระพุทธเจ้าของปอาา้าอรหันตสาวกอาจจะช้ากว่าพระพุทธเจ้าหน่อยพระพุทธเจ้าท่านบรรลุไป 2,500 กว่าปีแล้วพวกเราอาจจะบรรลุในภพนี้ชาตินี้แต่จาบรรลุช้าหรือเร็วก็ไม่สําคัญเพราะว่าเวลาบรรลุแล้วก็จะได้รางวัลอันเดียวกันได้ปรามังสุขขังเหมือนกัน เหมือนกับผู้ที่เรียนจบปริญญาขั้นต่างๆจะจบในปีไหนก็ไม่สําคัญเพราะเวลาจบแล้วก็ถือว่าจบเหมือนกันปริญญาที่ได้รับก็มีสิทธิ์ที่เท่าเทียมกันสามารถนําเอาไปหางานหางารได้เหมือนกันดังนั้นเราไม่ต้องไปกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเรื่องเวลาอย่าไปคิดว่าเรามาทีหลัง เราปฏิบัติแล้วเราจะไม่ได้ผลเมือได้ผลแล้วก็จะไม่เหมือนกับของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายผลนี่เหมือนกันหมดแม้ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดแม้แต่ในยุคหน้ายุคของพระศรีอานก็จะเป็นผลเหมือนกันปฏิบัติเหมือนกันผลก็จะออกมาเหมือนกันดับความทุกข์ต่างๆได้เหมือนกันมีปรมังสุขขังไปตลอดได้เหมือนกัน ขอให้ได้ปฏิบัติเท่านั้นและการจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องก็ต้องได้ศึกษาก่อนนี่คือสิ่งที่จําเป็นต่อการบรรลุธรรมคือการศึกษาและการปฏิบัติต้องไปพร้อมๆกันศึกษาไปทีละเล็กเทียรน้อยแล้วก็ทําไปเทีละเล็กเทียรน้อยเหมือนกับเวลาที่เราเรียนหนังสือเราก็เรียนทีละเล็กเทียรน้อยไปเราเรียนกไก่ขอไข่ไปก่อน แล้วพอเราได้กอไก่ขอไก่เราก็หัดสะกดพอหัดสะกดได้เราก็หัดอ่านหัดเขียนได้แล้วมันก็จะพัฒนาขึ้นไปของมันเองตามลำดับเราก็ทำทางของเราไปตางกำลังของเราก่อนรักษาศีลไปตามกำลังก่อนสมาธิปัญญาไปตามกำลังก่อนทำเท่าที่ทำได้แล้วพยายามทำเพิ่มมากขึ้นไปจากร้อยละสิบเป็นร้อยละยี่สิบ ขึ้นไปจนกระทั่งเต็มร้อยขึ้นมาพอเต็มร้อยผลก็จะเต็มร้อยถ้ายังไม่เต็มร้อยผลจะเต็มร้อยได้อย่างไรเพราะผลเกิดจากเหตุนั่นเองจึงขอให้พวกเรายงมีความเชื่อมั่นต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสาระเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของพวกเรา สิ่งที่เรามีนี่สิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นี่คือลาบยศสารเสริลรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะนี้ไม่ได้เป็นที่พึ่งที่แท้จริงของพวกเราพึ่งได้เป็นบา ง, บางครั้งบางเวลาดับความทุกข์ได้บางอย่างบางครั้งบางเวลาแต่จะไม่สามารถดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจของพวกเราได้พวกเรายังมีความทุกข์รอเราอยู่ ความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความทุกข์ที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์ที่เกิดจากความตายความทุกข์ที่เกิดจากการพัดพากจากกันยังรอเราอยู่ถ้าเราไม่มีการปฏิบัติธรรมมาดับถ้าเรายังไม่เห็นใจรักษณ์ยังไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็ยังจะต้องทุกข์ต่อไปดังนั้นหน้าที่ของพวกเรา ก็คือต้องพยายามปฏิบัติให้มากศึกษาให้มากเพราะถ้าไม่ศึกษาเดี๋ยวก็จะปฏิบัติผิดทางได้ต้องปฏิบัติควบคู่กับการศึกษาไปเพื่อจะได้รู้ว่าเราดาเนินไปในทางที่ถูกหรือไม่เหมือนกับเดินทางไปในที่ไปสู่สถานที่ที่เราไม่เคยไปเราต้องเปิดแผนที่คอยตรวจตาอยู่เรื่อยๆว่า เราเดินไปตามแผนที่ว้หรือเปล่าถ้าเราไม่ตรวจอาเดี๋ยวเราเดินไปผิดทางมันก็จะเสียเวลากว่าจะกลับย้อนกลับมาได้ก็เสียเวลาไปอาจจะไม่ทันการชีวิตของเราอาจจะหมดอาจจะตายไปก่อนก็ได้ก่อนที่เราจะบรรลุธรรมกันแต่ถ้าเราคอยดูแผนที่ควบคู่ไปกับการเดินทางเราก็จะ รู้ว่าเราอยู่ในทางที่เราต้องเดินเดินไปหรือไม่เราก็ต้องสลับกันกับการฟังเทศฟังธรรมอย่างน้อยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าต้องฟังธรรมอาทิตย์ละหนึ่งครั้งฟังแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็กลับมาฟังธรรมใหม่เปิดหนังสือธรรมะฟังอ่านดูก็ได้ถ้าไม่มีการแสดงธรรมสมัยนี้เราสามารถศึกษาธรรมได้ด้วยหลายวิธี ไม่เหมือนสมัยโบราณที่จะต้องมาฟังธรรมที่วัดเพียงอย่างเดียวเดี๋ยวนี้เราสามารถฟังธรรมที่บ้านก็ได้เพราะมีสื่อบันทึกธรรมไว้หลายหลากหลายสื่อด้วยกันหนังสือก็มีซีดีก็มีวิดีโอก็มีฟังไปเรื่อยๆกับการปฏิบัติไปเรื่อยๆเพื่อที่จะได้ไปถูกทางไม่หลงทาง แล้วก็จะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างสะดวกและรวดเร็วงานหน้าที่ของพวกเราก็อยู่ที่ตรงนี้ถ้าเราอยากจะมีสารณะมีที่พึ่งที่จะมาดับความทุกข์ภายในใจของเราให้หมดไปหน้าที่ของพวกเราก็อยู่ที่การศึกษาและการปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติน้อยเราก็จะได้ผลน้อย ถ้าเราปฏิบัติมากเราก็จะได้ผลมากอยู่ที่ตัวเราเราจะเลือกเอาว่าเราจะเอาเวลาที่เรามีอยู่นี้เอาไปใช้กับอะไรเราจะไปใช้กับการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ได้หรือเราจะเอาเวลามาใช้กับการทําทานรักษาศีลภาวนาก็ได้เป็นทางเลือกของเราถ้าเรา ฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ เ, เราก็จะรู้ว่าการมา ต, ตามทางของพระพุทธเจ้านี้เป็นการมาที่ถูกทางถ้าเรายังไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ยังไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญอยู่ก็แสดงว่าเราเดินผิดทางแทนที่เราจะเดินออกจากกองทุกข์เรากลับเดินเข้าหากองทุกข์ แานที่เราจะเดินออกจากการเวียนว่ายตายเกิดเรากลับเดินเข้าไปในวงเวียนแห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่จะต้องเวียนไปเวียนมาอย่างไม่มีวันจบสิ้นดังนั้นถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์เราต้องมาตามทางของพระพุทธเจ้าเพียงทางเดียวเท่านั้นคือมาสู่การทาทานสู่การรักษาศีลและสู่การบำเพญภาวนา ถ้าเราทําได้แล้วเราก็จะได้ออกจากกองทุกไปตามลำดับห่างจากกองทุกไปเรื่อยๆจนในที่สุดความทุกข์ก็จะไม่สามารถส่งผลให้แก่จิตใจของพวกเราได้อีกต่อไปใจของเราก็จะอยู่ปราศจากความทุกข์อยู่กับปรมาหมายสุขขังเท่านั้นจึงขอฝากเรื่องของการมาสร้างสาระที่พึ่งทางใจ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 เอวเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปการปฏิยิชิตังปฏิตังตุมหังคิป้าเมวะสมิจตุสัพเพปเรนตุสังกะปาจันโทปนระโสยะามณิโชติอราโสยะาสัพพิตโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุ มาเตผวะตะวันตารายโสุขีทีขายุโกผวะอาภีวะธนสีลิศะนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารุธรรมะวะทานติอายุวันโนสุขังภาลางังต่อไปนี้ก็จะเป็นการถามตอบปัญหาธรรม ท่านผู้ใดมีคำถามคาใจอยู่อยากจะได้คำตอบก็ขอเชิญถามได้ผ่านทางไมโครโฟนอ่ า, ามาเต็งหนึ่งเลยนะวันนี้ <laughs> วันนี้มีสองคำถามค่ะคำถามแรกก็คือที่วันก่อนพระอาจารย์พูดว่าเวลาเราบวชเราบวชแต่กายเราไม่ได้เอากิเลสบวช ด, ด้วยนะ ความหมายของผ้ออาจางคือเราจะทําอย่างไรเราจึงจะเอากิเลสมาบวชกับเราด้วยครับก็ต้องบังคับมันให้มันทําตามที่พรจะพุทธเจ้าสอนให้ทำนะฮะพระพุทธเจ้าสอนให้ภาวนานก็ต้องภาวนานไม่ใช่ไปนั่งเดิมกาแฟคุยกันทั้งวันทั้งคืนอย่างนั้นเรียกว่ากิเลสมันไม่บวช ด, ด้วยถ้าอยากกิเลสบวช ด, ด้วยก็ต้องเอามานั่งสมาธิกับเรามาพุโทโธกับเราข้อหนึ่งแล้วอ่ะมีข้อ ข้อสองค่ะในในออความทิฏฐิของหนูคือความเห็นเห็นว่าการทําบ้านให้เป็นวัดนั้นเป็นสิ่งดีในทางตรงกันข้ามถ้าปกติเราใช้วัดสําหรับเปรียกวิเวกเจริญสมณธรรมแต่ถ้าเราทําวัดให้เป็นบ้านเนี่ยหนูมองว่ามันเป็นความเสื่อมเหมือนกับมอดที่ทําลายเม็ดข้าว ก็เลยอยากขอทำมะที่สําหรับป้องกันและทำลายเม็ดข้าวค่ะก็อย่างที่หลวงตาบอกว่าต้องห้ามพวกเทวทัศน์ทั้งหลายไม่ให้เข้าไปในวัดพวกทีวีอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆอล้นี้ต้องอยากเข้าไปในวัดถ้เาเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันก็กลายเป็นบ้านไปถ้าอยากจะให้เป็นบ้านมันต้องอยู่บนเขาอย่างนี้ไม่มีไฟฟ้าไม่มีไม่มีแสงสีเสียงต่างๆ ดังนันผู้ที่ใช้อินเทอร์เนต็ตก็ต้องระมัดระวังหน่อยว่าใช้ไปเพื่อธรรมะหรือใช้ไปเพื่อกิเลสเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนกับมีดที่เราสามารถเอาไปใช้เป็นประโยชน์ก็ได้หรือเราเอาไปใช้เพื่อมาทิ่มแทงตัวเราเองก็ได้ดงั้นของพวกนี้ต้องระมัดระวังถ้าเรายัางต้องเกี่ยวข้องกับมันอยู่ก็ขอให้มันใช้ไปเพื่อเป็นในการดับกิเลสดับความทุกข์ อย่าไปใช้เพื่อสร้างกิเลสตัณหาให้มีเพิ่มมากขึ้นไปอ่ะมีท่านอื่นต่อครับกล่าวนักการพระอาจารย์ครับคือผมมีข้อสงสัยว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราละสักยะทิฏฐิได้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราไม่คิดไปเองครับก็ต้องมีข้อสอบอย่างเมื่อกี้เนี่ยญาิโยมท่านหนึ่งมาบอกว่าเป็นหมอบอกว่าเป็นมะเร็ง แล้วเราก็ดูใจของเราว่าเป็นยังไงทุกหรือไม่ทุกถ้าทุกก็แสดงว่ายังไม่ผ่านถ้าไม่ทุกก็แสดงว่าผ่านไม่เดือดร้อนตายก็ตายเจ็บก็เจ็บ คือผมรู้สึกว่าเหมือนที่พระอาจารย์พูดเมื่อกี้เหมือนเหมือนหมาตัวหนึ่งครับสนร่างกายผมรู้สึางนี้ครับก็ดีลองดูว่าเวลามันเป็นมะเร็งก็จะยังเป็นหนาตัวหนึ่งเข้าไปคือต้องรอให้มันเจ็บจริงก่อนหรือแม่งก็ไปหามันนั่งให้มันเจ็บเดี๋ยวครับนั่งให้มันเจ็บเดี๋แล้วปล่อยมันเจ็บไม่ต้องไปขยับสมมุติว่าเป็นมะเร็งแล้วมันเจ็บไปทั่วสพางร่างกายก็ปล่อยมันไปอยู่กับมันไปถ้าไม่ทุกข์กับมันมันจะอยู่ก็อยู่มันจะดับก็ดับ ไม่มีความอยากให้มันดับก็อยู่แสดงว่าเราก็ผ่านได้ครับในส่วนของความเจ็ บ, บส่วนของความตายก็ไปหาที่ไหนที่มันหวาดเสียวท้าทายต่อความเป็นความตายเดือดว่าใจหวั่นไหวหรือเปล่าเช่นั่งเครื่องบินมันจะตกหลุมอากาศมันเครื่องมันจะดับี้ใจเราจะดับไปกับเครื่องหรือเปล่านั่นคือถ้าเรานิ่งพอเรามีเราปล่อยเราต้องมีปัญญ า, าเราต้องเห็นว่าถ้าเราอยากจะ ให้มันไม่ตายเราจะทุกข์ไงว่าต้องเห็นอริยสัจเห็นว่าเราทุกข์เพราะเราไม่อยากไม่ให้มันตายแต่ถ้าเราเห็นว่าด้วยปัญญาว่ายัางไงมันก็ต้องตายมันไม่ตายตอนนี้มันก็ต้องตายต่อนหน้ามันตายถ้าตายถ้าเรายังทุกข์อยู่มันก็แสดงว่าเรายังไม่ผ่านถ้าเราอยากจะผ่านก็ต้องไม่ทุกข์กับมันต้องยอมให้มันตายอขาเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ แค่เราถอดถอนว่ากายไม่ใช่เราแต่มันรวมทั้งเวทนาที่มันเนื่องด้วยกายด้วยด้วยแล้วต้องเห็นทุกข์ที่เกิดในใจด้วยครับว่าทุกข์หรือไม่ทุกข์กับเวทนาทุกข์หรือไม่ทุกข์กับความตายมันก็ไม่ใช่ว่าแค่แค่แค่กายอย่างเดียวแต่รวมถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดใช่มันก็ขันห้างไงต้องละสกายทิฐิมันก็อยู่ที่ขันห้านี่ครับผมจะไปลองดูครับ่ามันต่อ นมัส ก, การพระอาจารย์ครับคือผมยังมาใหม่ก็คือยังใหม่เลยไม่รู้เริ่มปฏิบัติทำไม่รู้จะเริ่ม <c oughs> ตรงไหนก็ยังสับสนอยู่าก็ฟังเทศน์วันนี้ครับ <c oughs> ศึกษาก่อนศึกษา <c oughs> ว่าพระพุทธเจ้าปฏิบัติอย่างไรสอนให้เราปฏิบัติอย่างไรครับ <c oughs> แล้วเราก็ทําตามพระพุทธเจ้าสอนให้เราทําทามเราก็ทําทานทำทานนี้ไม่ได้เพื่อให้ร่ำให้รวยทําทานเพื่อให้จน ทำทานเพื่อไม่ให้ไปยึดไปติดไปอาศัยเงินทองเป็นสารณะเป็นที่พึ่งคือสละเงินทองไปเพื่อเราจะได้มามายึดธรรมะเป็นที่พึ่งแทนทําทานไปเรื่อยๆจงกว่าจะหมดหมดก็ออกบวชได้ครัเมื่อไม่มีเงินมีทองมันก็ต้องบวชเท่านั้นแล้วแล้วอีกข้อครับคื อ, อยังสื่อธรรมะอย่างอย่างที่ห้องที่บ้านเนี่ยเรานอนอ่านอ่านหนังสือธรรมะได้ไหมหรือว่าเราฟังสื่อธรรมะได้ไหม ถ้าอยู่คนถ้าอยู่คนเดียวก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนะครับแต่ทางที่ดีถ้าอยากจะได้ประโยชน์นั่งอ่านจะดีกว่านั่งอ่านในท่าขัสมะไปเพราะถ้าเป็นธรรมะอ่านไปแล้วจิตก็สงบได้จากการอ่านถ้านอนมักจะหลับครับน้องตาท่านจึงทำหนังสือของท่านเล่มใหญ่ๆเพื่อมาให้นอนอ่า น, า น, นครับแล้วขอกลับไปขอท้กันอ่า วันนี้เขียนมายาวเลยนะครับผมอาจารย์เขาถามบ่อยนะครับเพราะว่ายังด้งปยปัญญายอยู่เพราะว่ามันเพราะว่ามันยังปฏิบัติยังอาจจะผิดผิดมาบ้างครับหนึ่งการใส่ซองกรถินผ้าป่านี้สมควรไหมครับอาจารย์เพราะว่าเคยได้ยินพระบางท่านหนึ่งบอกว่าถ้าเราใส่แล้วเงินที่เราไป ถวายใส่ซองนี้จะถวายพระพระรับเงินไม่ได้มันบาปแล้วก็พวกอ่พาพระป่ามนไม้สะดึงอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่แต่ตอนนี้เป็นพระป่าเป็นต้นเงินเป็นอะไรอย่างนี้ครับ<ม>แล้วก็ออแล้วก็ผมเพื่อนเพื่อนเอาซองมาให้ผมก็ไม่กล้าใส่ครับมีแต่ปฏิเสธไปเลยเพราะว่าผมก็ยังไม่รู้ว่ามันเท็จจริงยังไงหรือความรู้มันยังไงผมยังสงสัยอยู่ครับคือการแจกซองนี้เป็นการ เรียลัยไปรับเงินรับทองมาเพื่อมารวมกันแล้วนำเอาไปถวายวัดเท่านั้นเองซองมีไว้สำหรับใส่เงินเพื่อที่จะได้เอามาให้กับเจ้าภาพผู้ที่จะนำเอาเงินนี้ไปถวายให้กับวัดอีกทีหนึ่งทำได้ไม่มีไม่มีปัญหา เ, าเางานินเงินนี้จะถวายให้พระก็ได้ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่บาปใช่ไหมครับได้แต่เวลาถวายให้พระนี่มีขั้นตอน คือพระจะรับเงินกับมือไม่ได้ต้องให้ฝากไว้กับลูกศิษย์อ๋อลูกศิษย์ลูกศิษย์เขาจะเป็นผู้ดูแลเงินทองอีกทีเพระแล้วเวลาพระต้องการจะใช้เงินก็จะสั่งลูกศิษย์ให้ไปเบิกเงินมาหรือเอาเงินที่ฝากไว้กับลูกศิษย์เอามาใช้ใจ่ายครับแต่ถ้าเราไม่แน่ใจอย่างนี้สมควรทำไหมครับถ้าไม่ไม่แน่ใจว่าเงินจะไปเป็นไปตามที่เขาพูดหรือเปล่าครับ ไปตามที่เขาพูดถึงมือรูปศิษย์หรือจะถึงมือพระอะไรอย่างแบบนี้ครับยังสงสัยแบบนี้ถ้ามีความสงสัยนี้ถ้ามีความสงสัยมันก็สงสัยแบบไหนสงสัยแบบกิเลสหรือสงสัยแบบเหตุมีผลคือถ้ากิเลสก็คือไม่อยากจะทำมันก็สงสัยไปหมดไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ใช่สงสัยแบบกิเลสสงสัยแบบว่าทาแล้ว กลัวอ่ามันจะได้บาปมาด้วยอะไรแบบนี้<อ>ได้ได้สอโนมาแบบนี้อ๋อไม่ไม่บาปหรอก<ม>าการทํารทานใสเงินใส่ทองแล้วมอบให้กับไ ว, วายวจกรของวัดที่เขาได้รับการมอบหมายจากวัดมานี่เป็นการถือว่าโอเคใช้ได้คือสละแล้วเราไม่ต้องไปคิดอะไรเลยเออใช่ไหมครับไม่ต้องคิดอะไรนอกจากเราได้ข่าวมาทีหลังว่าเ อ, อ่อวายวัจกรผู้รับเงินนี้เอาไปแล้วเอาไปเล่นกินเหล้าเมา ย, ยาไม่เอาไปให้กับพรางทางวัดอย่างนี้เราก็อย่าไปใส อครับผมตอนนี้เข้าใจแล้วครับข้อสองครับแม้แต่ตู้บริจาคตามวัดต่างๆท่านก็ว่าถ้าไม่มั่นใจว่าพระจะมาจัดการเงินเองหรือพระมีบัญชีเงินฝากห้ามใส่เด็ดขาดแต่มันก็ตรวจสอบไม่ได้ครับว่าวัดนั้นอจัดการเงินหรือเปล่าตอนนี้มันก็ยังคงก็ยังค้าง่าใจอยู่ครับตาม<า>ปกติเจออ้าอาวาสเขาจะเป็นคนดูแลทรัพย์สินของวัดทั้งหมด ตู้บ่อยจ่าใครจะไปตั้งไว้เฉยๆโดยที่เจ้าวาดไม่รู้ไม่ได้หรอก uh huh. เพราะฉะนั้นถ้ามีตู้บ่อยจากก็แสดงว่าเจ้าวาดจะต้องเป็นผู้รับรู้แล้วจะต้องเป็นผู้มาคอยดูแลเก็บรักษาเอาไปใช้ประโยชน์ให้กับทางวัดออให้อ oh, hey, uh, คนที่ดูแลกทีหนึ่งมั่นใจได้ว่าถ้ายึดตั้งอยู่ในวัดนี้พระต้องรู้เรื่องอแล้วก็ แล้วก็อข้อสามครับการทําทานนี้เราต้องปรารถนาแบบไหนครับถึงจะถูกทําทานก็เพื่อให้เราจนเพื่อเราจะไม่ต้องใช้เงินทองเพื่อเราจะได้บวชได้นี่คือการทําทานไม่ให้โลภอยากได้เงินทองเพรามีเงินทองแล้วมันก็ติดไปไม่ได้ไปบวชไม่ได้ถ้าปรารถนาแบบว่าถึงมรรคนิพพานแบบนี้ถูกต้องไหมครับก็เนี่ยแหละเนี่ยการทําทานาเพื่อมรรคนิพพานก็ต้องทําเพื่อให้เพื่อจะได้บวชได้ไง ครับถ้ามีเงินทองมันก็บวชไม่ได้มันก็อยากจะใช้เงินไปเที่ยวไปกินเหล้าเลออ่ายาไปดื่มไปทำอะไรเพราะมีเงินทองครับแต่พอมันไม่มีเงินทองมันก็เที่ยวไม่ได้ดื่มไม่ได้มันก็บวชอ๋อแต่ถ้าไม่ปรารถนาอะไรเลยก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมครับถ้าทาแล้วไม่ ก, มกินข้าวคุกินข้าวเพื่ออะไรก็เอ <c oughs> ิ่มวขานั่นการทานก็เพื่ออิ่มเพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์ อเราจะระงับการราคาด้วยวิธีใดบ้างครับก็ขั้นต้นก็ให้ถือศีลแปดถือศีลแปดถือศีลแปดแล้วก็ต้องจเจริญอสุภะอยู่เรื่อยๆมองดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายดูสร้างศพแทนที่จะดูคนเป็นดูคนเป็นก็ต้องสมมติว่าเขาต้องเป็นคนตายครับข้อต่อไปครับ อ่าซีดีธรรมะของอาจารย์บางครั้งผมเปิดฟังแล้วผมทํางานไปด้วยซักผ้ารีดผ้าไปด้วยอันนี้ตอนนี้สมควรไหมครับหรือว่ามันต้องนั่งฟังอย่างเดียวเคารพธรรมอย่างเดียวอ่าเรื่องความเคารพไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เป็นประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญคือประโยชน์ที่จะได้จากการฟังถ้านั่งฟังมันจะได้เต็มร้อยเพราะใจจดจ่ออยู่กับการฟังเพียงอย่างเดียว ถ้าไปทำอะไรแล้วฝั่งนี้มันจะไม่ได้เต็มร้อยอ๋อแต่แ ต, แต่แต่ก็ได้อยู่แต่ไม่ได้เต็มร้อยใช่ั้ยครับไม่ได้เต็มร้อยอครับผมคื อ, อผมพึ่งไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้ใส่บาดมาประมาณแปดเกือบถึงเก้าปีเพราะว่าผมเคยศึกษาที่วัดท่านหนึ่งไม่ขอสนอนนางน้ำนะครับว่า เพราะว่าผ้าทุกวันนี้ผ้าทุสินเราถ้าไม่สามารถตรวจสอบว่าผ้าทุสินได้ห้ามใส่และผมปกติเป็นคนที่ชอบอใส่บาตรทำทบุญอยู่แล้วบางทีเห็นผ้าก็อยากใส่อย่างนี้บางทีเห็นผ้ามาต้องวิ่งหลบเพราะว่าไม่รู้จะผ้าเคยใส่ประจํารู้จะตอบปัญหาอย่างไรแบบนี้มันแล้วเขาบอกว่าถ้าอยากรู้ว่า พระทูตสินหรือไม่ทูตสินให้ไปถามตรงๆว่าท่านรับเงินไหมท่านมีมิตรโทรศัพท์มือถืออะไรเป็นของส่วนตัวไหมพระเดินห้างเดินไรไหมอย่างนี้แต่ผมก็ไม่กล้าท่านบอกว่าถ้าไม่กล้าห้ามใส่ไม่แน่ใจห้ามใส่ตรงนี้ถูกต้องไหมครับคือการใส่บาตรนี่มันมีประโยชน์สองสองส่วนด้วยกันครับส่วนหนึ่งก็คือผูรับพระที่จะได้รับประโยชน์จากการใส่บาตรของเราครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเราจะได้ ทานบารมีนะครับนีถ้าเราต้องการสร้างทานบารมีผู้รับจะเป็นใครก็ไม่สำคัญแม้แต่สุนักเราก็ให้ได้ครับเพราะเราต้องการเสียสละแบ่งปันแล้วเราก็ต้องมองประโยชน์สองอันว่าอันไหนสำคัญกว่าสำหรับเราผู้รับหรือผู้ผู้ให้ถ้าเรายังอยากจะได้ทานบารมีแล้วไม่มีพระที่ดีเป็นไม่มีพาาระอรหันต์มาให้เราใส่แต่ก็ยังมีพระที่อาจจะ ทุศีลหรไม่ทุศีลเราก็ไม่รู้เราให้ท่านไปเราก็ยังจะได้ทานบารมีครับผมาสายบาทนี้ต้องถ้าดีที่สุดต้องน้อมไปเป็นของสงใช่ไหมครับน้อมไปเพื่อสงมันก็มีทั้งสองกรณีของบางอย่างก็ต้องเฉพาะตนของบางกรณีก็เป็นของสงเช่นถวายกุฏิศาร า, าวิหารนี้ก็เป็นของสงไปแต่สายบาทนี้ก็เป็นของส่วนตัวไป หรือว่าบางวัดท่านก็เอาของที่ได้จากบิณฑบาตนี้ไปรวมกันไปแบ่งปันกันอันนี้นก็เป็นของสงไปมันก็ขึ้นอยู่กับกรณีกรณีถ้าพระเจ็บไข้ได้ป่วยไปถวายให้กับสง์แล้วคนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ยาไปกินมันก็มันก็ไม่ถูกใช่ไหมถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องถวายเจาะจงให้กับพระรูปนั้นไปถวายหยดถวายยาให้กับพระรูปนั้นไปท่านจะได้รับประโยชน์จากยา เราไปถวายให้กับสงแล้วสงเขาไม่เอามาแบ่งให้พระรูปนี้ที่กําลังเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่อันก็จะไม่ได้ได้นับประโยชน์ครเนี่มยมันก็ต้องใช้เหตุใช้ผลวิเคราะห์ไปแต่ถ้าพูดโดยภาพโดยรวมนะท่านบอกถวายให้กับสงนี้มีประโยชน์มากกว่าเพราะสงนี้เป็นองค์กรผมพระนี้เป็นบุคคลบุคคลคนหนึ่งตายไปองค์กรยังอยู่ได้ แต่ถ้าเราไม่สนับสนุนองค์กรไปสนับสนุนพระรูปเดียวพอพระรูปนี้ตายไปก็ไม่มีอะไรที่จะมาทำประโยชน์ได้ต่อไปเพราะองค์กร น, นี้จะหายไปเช่นพระมีอยู่สิบรูปในวัดนี้แต่โยมคุณไปถวายพระรูปเดียวมีพระเก้ารูปไม่ได้อะไรเลยครับเดี๋ยวท่านก็ลาสิกขาไปกันหมดใช่ไหมครับผม เข้าใจแล้วครับหมดคำถามนะครับเดี๋ยว <laughs> อาทิตย์หน้าต่อไปเสนอคำถามใหม่จ ะ, ะ, ะได้ถามาอีกครับว่ า, ม, า, ว า, ม, ามีใครอยากจะถามอีกไหมต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านค่ะคำถามแรกจากคุณพมณรงค์ชัย <c oughs> เวลาดูกายในกายตามสติปัะฐานแล้วจิตตั้งมั่นพอสมควร <c oughs> เกิดอาการจุกแน่นที่หน้าอก บางครั้งก็มากจนหายใจไม่สะดวกอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นครับแล้วผมมาถูกทางไหมครับอาการที่เกิดขึ้นนี้มันก็เป็นได้หลายเหตุด้วยกันถ้าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เกิดอาการต่างๆขึ้นมาได้แต่ถ้ามันเกิดเฉพาะเวลาที่เราดูกายพิจารณากายก็อาจจะเป็นอาการของกิเลสก็ได้ เพราะกิเลสบางทีไม่ชอบดูกายชอบดูอย่างอื่นชอบดูทีวีชอบดูหนังชอบอะไรพอต้องมาดูกายดูสิ่งที่มันไม่ชอบมันก็จะสร้างความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางร่างกายได้ mm hmm. ถ้ามันเป็นเรื่องของกิเลสก็กไม่ต้องไปสนใจแต่อาจจะควรที่จ ะ, อ, ะอย่าเพิ่งไปพิ จ, จารณาเพราะ ใจยังไม่พร้อมเพราะกิเลสยังแรงยังต้านอยู่สิ่งที่ควรทําก็คือควรจะทําใจให้สงบก่อนหัดทําสมาธิไปก่อนทําใจให้สงบเพื่อที่จะได้เอตัดกําลังของกิเลสตัณหาเหมือนกับเวลาที่หมอจะผ่าตัดคนไข้ถ้าคนไข้ยังไม่สงบนี่พอจะไปผ่านี่คนไข้ก็จะดิน้นถ้าคนไข้ดิ้นนี้หมอก็ยังผ่าไม่ได้หมอก็ต้องบอกให้นมยาเพิ่ม ยาไม่กําลังไม่พอต้องนมยาจนกระทั่งคนไข้สลบสลายไม่รู้สึกจะถึงจะผ่าได้ถ้าคนไข้ไม่ดิ้นก็แสดงว่าผ่าได้ถ้าคนไข้ดิ้นนี่ก็แสดงว่ายาไม่พอต้องต้องเพิ่มยาไปก่อนฉันได้เวลาเราพิ จ, จารณารมทางปัญญาแล้วมีความรู้สึกที่ไม่ดีตามมาเช่นอาการหดหูท้อแท้เบื่อหน่าย พอบางทีเราต้องคิดในสิ่งที่ใจเราไม่ชอบคิดกันเช่นความแก่ความเจ็บความตายอสุภะความไม่สวยงามของร่างกายเวลาคิดนี้บางทีมันอยากจะอาเจียนขึ้นมาคนบางคนให้ไปดูซากศพแล้วมันจะเป็นนมก็มีเนีย่ยแสดงว่าจิตใจยังไม่แข็งพอสมาธิยังไม่กล้าพอก็ต้องฝึกสมาธิไปก่อนให้ใจมีกําลัง ท่านถึงบอกว่าการเจ ร, เจริญปัญญาได้นี้จะต้องมีสมาธิก่อนถ้าเราเจริญปัญญาได้ก็แสดงว่าเรามีสมาธิแล้วถ้าเราเจริญไม่ได้มีอุปสรรคต่างๆก็แสดงว่าสมาธิเรามีไม่มากพอเราก็ต้องมาเจริญสมาธิด้วยการเจริญสติพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆทั้งวันแล้วมีเวลาว่างก็นั่งหลับตาทำใจให้นิ่งให้สงบให้ได้ พอใจนิ่งสงบแล้วพอออกจากความนิ่งมานี่ก็จะมีสมาธิที่จะสามารถพิจารณาทางปัญญาได้ต่อไปคำถามต่อไปจากคุณกอล์ฟตอนนี้ลองถือศีลข้อสามเป็นอพรรมจริยาเป็นปกติและศีลแปดทานมื้อเดียวสำหรับวันพระราวสักสองอาทิตย์กว่าแล้วครับได้ผลพอสมควรแต่ตอนนี้มีความรู้สึกว่ามันเผลอครับ จะไหลออกไปในกามคุณตอนนี้รู้สึกว่ามันจะไหลลงไปเรื่อยๆพยายามดึงได้ได้ซึ่งช่วงแรกๆอยากขออุบายวิธีพิจารณาในชีวิตประจำวันและสมาธิครับก็ลองพิจารณาสุภาพอยู่บ้างนึกถึงซากศพนึกถึงอาการ32อวัยวะต่างๆที่อยู่ภายใต้ผิวหนัง เวลาเห็นร่างกายที่สวยที่งามที่รูปหล่อเหลาก็นึกถึงอวัยวะที่มีอยู่ภายในร่างกายของเขาคิดถึงเวลาที่เขาตายแล้วขึ้นอืดขึ้นพองขึ้นมาว่าจะมีอาการหน้าดูหน้ารักหน้าไข้หรือไม่ถ้าเราคิดถึงภาพเหล่านี้เราก็จะสามารถที่จะควบคุมอาการมาราคะ ได้จะไม่ทาให้มารบกวนกจิตใจของเราจะทำให้สามารถรักษาศีลประบัญญัติได้คำถามต่อไปจากมีผู้ฝากถามปัจจัยที่ทำให้คนคิดจะบวชแล้วไม่สามารถบวชได้นั้นมีปัจจัยอะไรบ้างครับโอ้ยมันก็ร้อยแปดอะจะมาถามเราได้ไงต้องถามคนที่ไม่บวชดูวยเหร หมดคำถามแล้วค่ะเราบ <laughs> <laughs> ้างมีใครยังอยากอยาถามอะไรไหมนี่หนึงครับผม าการภาวนาพุโทโธนี้เวลาหายใจเข้าต้องพุดธไหมครับหายใจออกต้องโทไหมครับหรือว่าคือเรื่องกันที่ให้พุโทโธนี้ก็พุโทโธอย่างเดียวไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องของลมหายใจไม่ไม่ต้องตามดูลมหายใจเพราะว่าถ้าเราต้องการที่จ ะ, จะเจริญสติทั้งวันนี้ถ้ามันไปผูกอยู่กับลมด้วยมันจะยาก เอาพุโทโธไปทําอะไรก็พุโทโธไปตื่นก็มาลืมตาครก็พุโทโธได้เลยจับอะไรก็พุโทโธไปเลยท <ำ S 1> ําอะไรก็พุโทโธไปทั้งวันอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นอกจากต้องคิดเรื่องงา น, นเรื่องการที่กําลังทําอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นครับผมเข้าใจแล้วครับอ่าถามนิดน่อยทั่นนั้นก็แสดงว่าเออิทธิบทสําคัญน้อยกว่าพุโทโธในจิตถูกไหมครับก็แล้วแต่กรณีไง คนบางคนนี่สติแรงพอก็ดูอริยาบทได้เลยไม่ต้องใช้พุทโธก็ได้คือเป้าหมายก็คือไม่ให้ใจลอยไปที่อื่นไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ตั้งอยู่ในปัจจุบันให้สักแต่วร่รู้ไม่ให้มีความคิดรุงแต่ะบางคนสติมีกำลังมากก็เฝ้าดูอริยาบทได้เลยบางคนกำลังไม่พอก็ต้องใช้พุทโธช่วยบริการพุทโธไปด้วย คือผมแต่ก่อนอีเดียบทผมผมรู้อ่าแต่พอผมมาฟังปุกผมต้องบริกรรมผมเลยกลับไปบริกรรมกลายเป็นสับสนว่าจะอ ะ, อะไรกันแน่อก็กลับไปอิเดียบทอยู่กับผู้รู้ก็ได้ใช่ไห ใ, ให้สั่งแต่ว่าไม่ให้เป้าหมายก็คือไม่ให้คิดปรงแต่งอืเพื่อจะได้ไม่ฟุ้งซ่านใจจะได้เย็นสบายและเวลานั่งใจจะรวมได้ครับท่านั้นเองครับให้ดูที่ตัวความคิดปรุงแต่งรเราใช้อะไรก็ตามดูว่ามันหยุดความคิดปรงแต่งได้หรือเปล่าอืม แสดงว่า <c oughs> เ อ, อ, อย่างผมปฏิบัตินะอาจารย์ถ้าผมมีสมาธิมีสติเนี่ยขันมันจะแยกแล้วก็เราก็จะพิจารณาไต่ลักของขันได้แต่ถ้าสติมันไม่มีเนี้ยอาจารย์แสดงว่าไม่มีสมาธิไม่มีสมาธิแสดงว่าการที่จะเป็นตกกระแสรหรือบุคคลได้เนี่ยมันสติต้องร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่าครับหรือไม่จําเป็นก็ขั้นต้นก็คงไม่ต้องร้อยเปอร์เซ็นตค่ ะ, <ฮ>ะคือขั้นต้นนี่ก็พอให้มีสติที่จะทําให้จิตรวมครับสืบราวสงบเป็นพักๆได้ แล้วพอออกมาก็สามารถใช้สติควบคุมความคิดให้คิดไปในทางตายรักให้ได้นั่นก็คือว่าถ้าสติมันอ่อนแอมันก็จะมันก็จะรวมก็จะมั่วดูอะไรไม่ออกก็ต้อง<ช>มากลับมาทําสมาธิอใช่ใชอยากแค่อาจารย์ตีเป็นสมมติถ้าวันหนึ่งมีร้อยเปอร์เซนเนี่ยสติของโสดาบันจะต้องสักกี่เปอร์เซ็นต์ตัก็ต้องมีตลอดทั้งวันอืมนี่มันอาจจะแบบไม่ไม่ต่อเนื่องทั้งวันนั่นเองแต่มันต้องมี ล้มบ้างลุกขึ้นบ้างอะไรล้มลุกคู่ขานไปไม่ใช่ว่ามีแค่สิบนาทีแล้วก็หายไปทั้งวันอย่นีน้ไม่ใช่มันก็ต้องมีพยายามเจริญอยู่อย่างต่อเนื่องแต่การต่อเนื่องของสตินี่มันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะห้าสิบเปอร์เซ็นแต่ข้อสําคัญเวลานั่งสมาธิขอให้จิตมันรวมให้ได้ถ้าจิตรวมได้แล้วทีนี้ก็จะสามารถที่จะมาพิจารณาความตายความเจ็บได้ งั้นอย่าไปวัดอปริมาณของสติเลยก็ดูผลของการปฏิบัติดีกว่าว่าทําให้จิตรวมได้หรือเปล่าถ้าจิตรวมได้แล้วออกมาสามารถปล่อยวางเวทนาได้เปล่าปล่อยวางความต่ายได้หรือเปล่าขอบพระคุณมากครับอาจาอย์ไม่มีใครอยากจะถามอะไรแล้วนะถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไว้พินิษพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ